ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่องรังเกียจบาปติดติระชาดกโดยสมณาทราบซึ้งสุริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่18มกราคม2539ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ค่ะ วันนี้เรื่องติติตระชาดกนะฮมาตั้งชื่อภาษาไทยว่ารังเกียรบาป <c oughs> เริ่มขึ้นมาก็พระาศาสดาเมื่อทรงอาศัยในนครโกสัมพีประทับอยู่ในวัทริการามรู้สึกตั้งแต่ดูชาดกมาเพิ่งเจอเนี่ยนะ วัทริการามภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงคุณความดีของพระราหุลในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระราหุลเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษามีความรังเกียจบาปเป็นผู้มีความอดทนต่อโอวาทยิ่งนักนะคือเหล่าภิกษุเนี่ยก็มาคุยกันคุยกันว่า ว่าเนี่ยพระราหุ่นเนี่ยนะขวนขวายในการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมเนี่ยเกี่ยวกับคําสอนต่างๆแล้วก็มีความที่เกลียดเรื่องบาปนะอะไรที่เป็นบาปเนี่ยจะเกลียดจะไม่ชอบนะจะไม่อยากไปทำนะแล้วก็3อย่างอย่างที่3ามก็คือมีความอดทนต่อคําสอนนะมีเวลาพระเจ้าจะสอนอะไรพระราหุ่นเนี่ยนะอาจจะโดนติโดนว่าหรือโดนอะไรเนี่ย พระาหูเนี่ยจะมีความอดทนต่อคาสอนนะอดทนต่อคาสอนนี่มีสองอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสอนมาแล้วเนี่ยก็เอาเอาพยายามเอาคาที่ที่สอนมาแล้วเนี่ยไปไปกระทาด้วยความอดทนนะเพราะมีมีอยู่สองแนวนะอดทนต่อคาสอนอย่างหนึ่งคือจะโดนตีโดนว่ายังไงก็อดทนได้นะรู้ว่าดีก็พยายามรับเอาไปกระทําส่อีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ได้โดนติไม่ได้โดนว่าอะไรนะคำสอนสอนมาดีแล้วฟังแล้วแล้วก็พยายามเอาไปอดทนที่จะทำํำความดีนั้นนะ่ะให้สําเร็จให้ได้พระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าคือภิกษุก็คุยกันถึงเรื่องพระราหุลเนี่ยพอดีพระเจ้าท่านผ่านมาท่านก็เลยมาถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระาศาสดาจึงตรัสว่ามิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระราหุลก็เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษามีความรังเกียจบาปปด ท, ทนต่อโอวาทแล้วเหมือนกันผู้จ่าบอกว่าอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนี้เท่านั้นที่พระราหุลไปอย่างนี้แต่ก่อนก็เคยเป็นมาแล้ว แล้วทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้เอาละนะจะเริ่มติติระชาดกในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตคลองราชสมบัติในพระนครพราราณสีโปดสังเกตยอย่างหนึ่งนะชาดกส่วนใหญ่เนี่ยพระเจ้าพรหมทัตคลองราชสมบัติอยู่ในวัดนครพาราณสีอยู่เรื่อยเลยอาตอมาก็บางทีอ่านอๆแล้วก็ แม่บางทีไม่อยากอ่านเลยเพราะรู้สึกว่าเกือบทุกเรื่องเลยจะต้องเป็นอย่างนี้ฮะก็ไม่รู้องค์เก่าหรือเปล่าแต่ว่าชื่อชื่อเนี่ยบางทีจะซ้ํากันอย่างเงี้ยหรืออาตมาก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะเป็นสำนวนหรือเปล่าเหมือนเหมือนอย่างกับการละรั้นหนึ่งนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยวัสปอร์ธามใช่ไหมคือมันเป็นสำนวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างเงี้ยพอเราเริ่มขึ้นมาก็ พระเจ้าพรมราชของราชสมบัติในนครพารณนาีเสร็จแล้วก็ค่อยว่าเรื่องราวต่างๆมานะบังเกิดเด็กทารกชายคนหนึ่งในตระกูลพามพอจเจริญวัยขึ้นแล้วก็เรียนศิละปะทั้งปวงในเมืองตักกัศิลาแล้วออกบวชเป็นฤาษีอยู่หน้าป่าหิ ม, มพานนะเพียรบำเ พ, พ็ญรมอภิญยาและสมาบัติให้บังเกิดขึ้นแล้ว ก็เพลิดเพลินในฌานนั้นอยู่นะอยู่ในไพรสนอันน่ารื่นรมนั้นนะเร็วหน่อยนะมีเด็กเกิดในตระกูลพาราม์นะโตขึ้นไปร่ำเรียนที่ตากกซิลาจบจบเสร็จบวชบวชไปฤาษีไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์อมเพนจนกระทั่งได้ฌานได้สมาบัตนะ <c oughs> แล้วก็มีความสุขอยู่ในฌานของตัวเอง อยู่มาวันหนึ่งได้ไปยังบ้านปัจจันตคามแห่งหนึ่งเข้าใจคําว่าปัจจันตคามไหมปัจจันตประเทศอย่างเงี้ยเออหมายถึงประเทศที่อยู่ชนบทอยู่ชายแดนอยู่อะไรพวกเนี้ยเขาเรียกปัจจันตคามปัจจันตชนบทบ้งปัจจันตประเทศบ้างนะตอนนี้ฤๅษีเนี่ยก็ไปแถวหมู่บ้านชนบทคนทั้งหลายในหมู่บ้านนั้น ได้พบเห็นพระฤาษีแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงสร้างบรณารณศาลาในป่าแห่งหนึ่งแล้วนิมนต์ให้อยู่ที่นั้นบรณารณศาลานี่คือคืออะไรคือศาลาแบบไหนคําว่าบรณารณศาลาเนี่ยาาอาตมาเคยบอกไปหลายทีแล้วแหละศาล า, <laughs> า, าที่มุงบางด้วยกิ่งไม้ใบไ ม, ไม้อะไรพวกนี้คือทําแบบสมถะ ทำแบบง่ายๆนะไม่ใช่แบบชนิดโอ้โหเอาไม้เอาอะไรอ่ะเออเอาไอของอินเดียเขาจะอะไรนะเอาเออกีควายอะไรมาทําเป็นผนังอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มุงบังด้วยใบไม้บ้างกิ่งไม้บ้างนะเป็นแบบอาสมของพวกลือสีอย่างนั้นแหละน่าจะที่ชาวบ้านก็ทําให้ทําให้เป้าลืสี ก็แล้วก็บำรุงด้วยปัจจัยต่างๆให้แก่พระฤๅษีนั้นครั้งนั้นมีนายพรานคนหนึ่งในหมู่อยู่ในหมู่บ้านนั้นจับนกกระทาเพื่อใช้เป็นนกต่อได้ตัวหนึ่งอ๋อเกี้นี้ฟังให้ทันนะฤๅษีนี่ตัดตัดตอนจบเอาไว้ตรงนั้นนะให้รู้แล้วนะว่าฤๅษีนี่ให้รู้ว่าฤอษีนี่มาอยู่ที่ ที่บรณารณศาลานี้แหละในในแถวหมู่บ้านนี้นะเสร็จแล้วเขาก็หยุดหยุดเรื่องพระฤาษีนี่ไว้แค่ตรงนี้ก่อน <c oughs> เขามาขึ้นใหม่ละมาขึ้นมีนายพรานจับนกเนี่ยคนหนึ่งนะพา น, นกนี่พานนกกระทาเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จับนกกรทามาได้ตัวหนึ่งแล้วก็จะเอาใช้เป็นนกต่อคําว่านกต่อ น, นี่เข้าใจไหมยั <c oughs> ยงไงเข้าใจยังไงนกต่อ เอานกตัวนี้ไปขันส่งเสียงล่อให้นกตัวอื่นนี่มาติดกับใช่ไหมแล้วในพานนี้ก็จะจับเขาเรียกว่านกต่อ <c oughs> เนี่ย <c oughs> พอปรากฏว่านายพานคนนี้จับนกได้ตัวหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ทําการฝึกสอนเป็นอย่างดีแล้วใส่กรงเลี้ยงไว้ต่อมานายพานนกก็นํานกต่อนั้นไปในป่า <c oughs> เพื่อหลอกจับพวกนกกระทาตัวอื่นๆ ซึ่งพากันมาเพราะเสียงนกต่อนั้นพรานนกทําอยู่เช่นนี้นะเลี้ยงชีวิตอยู่คือก็ทําอย่างเงี้ยเอานกตัวเนี้ยไปเป็นนกต่อที่จะจับนกกระทาตัวอื่นมาอยู่เรื่อยนะทำอยู่อย่างเงี้ยอาศัยเป็นอาชีพนะเลี้ยงตัวเองเหตุดังนี้นกต่อตัวนั้นจึงคิดว่า ท่นี้นี้นกนกคิดนะนกนกที่เป็นเป็นนกต่อเนี่ยที่นายพานจับมาฝึกเนี่ยคิดว่าญาติของเราเป็นอันมากพากันมาฉีบหายเพราะอาศัยเราผู้เดียวนั่นเป็นบาปของเราแท้ๆ <c oughs> คือนกต่อตัวนี้คิดว่าโอ้โหเรานี่ต้องโดนนายพานเนี่ยเอามาจับเป็นนกต่อใช่มให้ให้ขันให้ร้องเพื่อที่จะ หลอกนกอื่นมาแล้วก็นกอื่นเนี่ยซึ่งก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นญาติของเขาอ่ะนกกระทาตัวอื่นเนี่ยมาโดนจับนะในพานนี้ก็จับไปหมดเลยเพราะนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊อย่างนี้นี่เราก็บาปเหมือนสิคราวนี้พอคิดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอมันมันไม่ดีนะไม่ดีก็เลยจึงไม่ยอมส่งเสียงร้องอีกต่อไปคราวนี้ในพานนี่จะเอาไปจับ เอาไปให้ขันร้องต่อส่งเสียงนี่นะก็ไม่ยอมขันละนายพานกเห็นเห็นว่านกต่อนั้นไม่ร้องจึงเอาขนแหงไม้ไผ่นะคอยตีศีรษะนกกรทาตัวนั้นคือเอาไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องใช่ไหมเอาไม้ตีหัวไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องเอาไม้ตีหัวเรียกว่าไม่ร้องก็ต้องโดนน่ยไม่ร้องก็ต้องโดนคอราะนั้นยังไงคะนี้ คราวนี้เป็นยังไงถ้าไม่ร้องก็ต้องโดนตีไม่ร้องก็ต้องโดนตีทําไงอะ่ะ <st arts> ก็ต้องร้องนะหนีไม่พ้นแล้วแหละ <c oughs> นกจอจึงต้องส่งเสียงร้องอย่างอาดูลเรา่าร้อนด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจ <c oughs> คือก็จำนวนก็เลยต้องร้องแต่ว่าร้องไปก็รู้สึกอะไรอะ่ะใจนี่มันรู้สึกว่าไม่ดีเลยนายพานนกก็อาศัยวิธีเช่นนี้ ล่อจับนกกระทาทั้งหลายมาเลี้ยงชีวิตนกต่อตัวนั้นจึงทรมานอยู่ด้วยความคิดที่ว่าเราไม่มีเจตนาร้ายที่จะทำให้นกเหล่านี้ตายแต่กรรมที่เราถูกบังคับให้ทำไปคงจะต้องคงจะถูกต้องตัวเราแน่ๆเพราะหากเราไม่ร้องนกเหล่านี้ก็ไม่มาแต่เมื่อเราร้องนกจึงมาแล้วในพา น, นกก็จับนก พวกนี้ที่มาแล้วค่าทิ้งเสียในข้อนี้บาปจะมีแก่เราหรือไม่หนอแล้วใครเล่าจะตัดความสงสัยนี้ของเราได้คือก็ยังอึดอัดใจทุกใจอยู่อย่างเงี้ยนกต่อตัวนี้นะักคิดอยู่ว่าเออเราบาปเราบาปเมิงเนี่ยเราบาปเมิงนะแต่ก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าเอ้มันยังไงอะ่ะเราก็โดนบังคับให้ให้ทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ใครจะมาช่วยบอกเราได้ว่าว่าเราบาปหรือเปล่านะนกตัวนี้เขาคิดน่าจะมาถามหน่อยไหนใครว่านกตัวนี้บาปไหนมีกี่คนยกมือซิในที่นี้เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมหมดเลวเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ยังคิดก่อนที่คิดก่อนว่านกบาปไหมนกนี่โดนบังคับใช่ไ้ม ตอนแรกร้องร้องเหรอไหมเสร็จตาหนังคิดได้เอ๊มันไม่ควรจะร้องนะร้องแล้วก็ล่อนกอื่นมาติดใช่ไหมแล้วก็มาโดนฆ่าก็เลยไม่ไม่ยอมร้องตอนนี้พอไม่ยอมร้องอ่าโดนตีนะอ่าเมื่อเมื่อโดนบังคับอย่างเงี้ยโดนตีเอาต้องให้ร้องโดนตีให้ร้องนะถ้าไม่ร้องต้องถูกตีนะคราวนี้ก็เลยจำนนเลยก็ต้องร้องร้องเสร็จไอ้พวกเพื่อนเพื่อนก็ต้องโดนมาติดกลับอีกเสร็จแล้วก็ต้องโดนฆ่าบ้างอะไรบ้าง อย่างเงี้ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะ อ, อย่างนี้เขาบาปไหมอา้าวถามใหม่นะคราวนี้ว่าบาปไหมถามพวกเราสมมุติว่าเราเป็นผู้ที่จะขายปัญหาให้กับนกกะทานกตอตัว น, นี้ได้อา้าวไหนใครว่าบาปไหมกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเอาใครว่าไม่บาปหนึ่งสองสามสี่คนเอาไหนใครที่ว่าไม่บาปลองให้เหตุผลมาสิอ๋อเราถือว่าตรงถ้า โดยบังคับมาให้ทำอย่างเงี้ยถือว่าไม่บาปเหรออ่ะสมมติมีคนบังคับโยมนะเอายมให้โยมนี่ไปทำอะไรอ่ะไปขโมยของเขามาถ้าไม่ขโมยนี่จะฆ่าโยมทิ้งนะโยมก็โอ้ยไม่ได้ะนะโดยบังคับให้ไปทำใช่ไเราก็เลยไปขโมยของเขามาอย่างนี้โยมว่าโยมบาปไหมไม่บา ป, อ, า อ, บาปอ๋อในความคิดโยมโยมว่าไม่บาปใช่ไหม อา้าที่ป่ะฮะ <c oughs> จะลองฟังเหตุผลเหตุผลเหมือนกันเหเหมือนกับเหมือนกับโยมฮะอ๋อาอ า, อ า, อาแต่เราไปทํานี่เราไปทากับมือเราไม่ใช่เหรออ๋อักตัวกลัวตายต า, าไม่อยากให้เพื่อนตาย ใช่ไหมใจเราจริงๆเราไม่อยากให้เพื่อนตายแต่ว่าเราก็กลัวตายน ะ, ยะก็เลาา ย, บบ ย, ยอ <c oughs> อแหมคิดไปโน่นเลยนะ อ, ะอะของพีพิว่ายางไคิดว่าไม่บาปเพราะอะไรเหตุผล อ, อะไระเหตุผลอะไรที่ว่าไม่บาปเพราะว่าถูกบังคับไม่บาป ถ้าเกิดมีใครเขาบังคับเราให้เราเนี่ยไปตีหัวคนเขานะเสร็จแล้วเราก็โอ้ไม่ได้อะมันโดนบังคับมานะเอาอะจะเอาอะไรมาบังคับเราก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วเราก็โดนบังคับเสร็จแล้วก็ไปตีหัวคนเขาจริงๆริงจะถือว่าบาปไหมยังคงยืนยันว่าไม่บาปเอาเหตุผลเพราะอะไรคือจะพยายามฟังเหตุผลว่าเพราะอะไรอะเราอาจจะบอกว่าไม่บาปแต่เหตุผลละอะไรที่บอกว่าไม่บาปฮะ เพราะถูกบังคับเหรออ๋อเปลี่ยนใจว่าบ้าอ่าเพราะอะไรเหตุผลทําไมถึงเปลี่ยนใจบ้าบ้าอ่าอ๋อคนสั่งคนสั่งนี่บาปแน่นอนใช่ไหมเพราะเขาสั่งมาให้กระทาใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วตอนนี้เราเอาแต่ในที่นี้จริงๆเราไม่อยากไปทํานะตัวเราเองเราไม่อยากไปทําแต่เราโดนบังคับให้ไปทําเขาอาจจะสมมตินะ เอาเอาพ่อเอาแม่เรามาขู่เงี้ยถ้าแกไม่ทำฉันจะยิงพ่อกับแม่แกทิ้งนะอ่าคราวนี้เราก็เลยต้องไปทำใช่ไหมเพราะว่าไม่อย่างงั้นเขาจะฆ่าพ่อกับแม่เราเอาพ่อกับแม่เราเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยเราก็เลยโอ้โหต้องไปทาอย่างเงี้อยอย่างงี้ทิพย์ยังถือว่าบาปั้มอ๋อยังยืนยันว่าบาปนะอ๋อโยมโยมบอกแบ่งกันคนละครึง่งเหรอ อ้าวๆนี่ก็อีกเกตุผหนึง่งเอาทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่ถือว่าเป็นบาป ท, ทัา้งสิน้นเออเอาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยออกมาบวชอ่ะเจ้าชายศรีฐะหนีออกมาบวชก็ทําให้พระนางพิมพาร้องโหยร้องไห้นะลูกก็ไม่เลยไม่มีพ่อทําให้เขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยเรื่องนี้ถือว่าบาปไหมเอ้ามันไม่ร้อนจริงอ๋อมีอย่างนี้อีกเหรอมีร้อนปลอมกับร้อนจริงด้วยเหรอ คือคืออาตมากำลังจะบอกว่านิยามมันไม่ถูกอ่ะท่ <c oughs> านิยามบาปอย่างนั้นเนะ่ะใช่ไหมนิยามบาปอย่างนั้นมันมันไม่ถูกแน่แนเพราะว่าถ้าเอาแค่ว่าทําคนอื่นเดือดร้อนแค่นั้นใช่ไหมบางทีเนี่ยเอาไม่ต้องเอาอื่นกลเอาอย่างพ่อท่านก็ได้ก็ทําคนอื่นเขาเดือดร้อนเหมือนกันนะ <Okay. S 1> คนที่คนที่เขาเร็วๆอ่ะใช่ไหมอ่าคนที่เขาไม่ชอบใจแม่ผู้เจ้าเนี่ยก็โดนด่าเอาเขาก็ไม่ชอบใจเขาว่าเขาเดือดร้อนอ่าใช่เป่า คนดีเผลอๆโดนยิงทิ้งเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเขาเกลียดเขาเสียผลประโยชน์เขาเดือดร้อนเน่ยใช่ไหมเขาก็มายิงคนดีนั้นทิ้งถ้าเราเราจํากัดความคําว่าบาปแบบว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะั้นจำกัดความแค่นี้ไม่ได้มันยังไม่ใช่บาปอ่าอันนี้เริ่มมาดูที่เจตนาอะไรคือเจตนากุศล <c oughs> หรืออกุศลอาตมาถามเราอยู่ อย่างหนึ่งอันมาเคยพูดไปแล้วจริงๆพ่อท่านก็เทศอยู่บ่อยๆศีลข้อที่1เนี่ยเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยใครจําได้มั้งนะนี่เช็กศีลเกือบทุกคนนะเพราะว่ามาอยู่วัดนะไม่มีใครจะไม่ตรวจศีล น, นะอ่ะอาจารมาถามสูญว่ายุงมันมากัดอย่างเงี้ยนะไม่เจตนาเนี่ยไปรูปมันโดนตายอ่าผิดหรือว่าไม่ผิดอาจารย์สูญอาจารมาใช้ภาษาว่าแทนที่จะใช้คําว่าผิดศีลหรือว่าไม่ผิดศีล น, นี่นะ ใช้บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่บาปได้ไหมแต่ว่ามีวิบากกรรมใช้ภาษาอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยพวกเราจะเข้าใจไหมอ่ะตอนนี้อาตมาถามใหม่ถ้าเกิดนะเราไม่ได้เจตนาเลยมีคนนอนอยู่นะกลางคืนมันมืดเราก็มองไม่เห็นนะแล้วพวกเราก็นอนกันแน่นเป็นแบบปลาซาดีนเป็นแบบปลากระป๋องเงี้ยนะเสร็จแล้ววันไล่คืนไายคืนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่า เราเกิดปวดฉี่จะลุกขึ้นมาฉี่ตอนคืนเนี่ยนะแล้วไม่ทันมองเนี่ยคือมันไม่เห็นอนะมันมืดนะไฟก็ยังไม่ทันเปิดแล้วเกิดเดินไปเหยียบพอดีเลยดั้งจะมูกเขาหายใจไม่ออกเขาถึงแก่ความตายไปนะสมมุติอันนี้สมมุติเสร็จแล้วก็ขออ้อถามยามไรนะ <c oughs> เอาต้องต้องสมมุติให้จริงจังหน่อย อ่าสมมุติเบาๆเดี๋ยวไม่เห็นชัดเจนนะนะ <g ül> ก็เลยต้องสมมุติแบบจะๆหน่อยแจ้งแจ้งสมมุติว่าไปเหยียบไปเหยียบดั้งจมูกพอดีเสร็จแล้วเขาก็เลยหายใจไม่ออกตายนะดั้งจมูกหักตายพอดีอย่างเงี้ยเอาเราไม่ได้เจตนาจริงๆนะแต่เอเอาทาไปแล้วเนี่ยจะถือว่าเราผิดศีลไหมตอนนี้เหยียบคนนะไม่ใช่มดแล้วนะ ไม่ใช่ยุงแล้วนะฮะผิดศีลไหมไม่ผิดศีลอาจอัจมาใช้ภาษาใหม่ว่าอย่างเงี้ยถือว่าไม่บาปใช่หรือเปล่าแต่ว่ามีวิบากกรรมฮะบาปหรือไม่บาปเอาอัจมาถามให้ชัดถือว่าไม่บาปเหรอออันนั้นถือว่าบาปอ่อเหยียบคนตายต้องบาปแน่ แม่แม่ไม่เจตนาเนี่นะอะนั่นาบาปหรือไม่บาปติว่าบาปหรือไม่บาปเอาละทิพย์ว่าบาปแหละนะแต่นี้ใครใครว่าไม่บาปมั่งเอาไหนใครว่าไม่บาปอ่ออีกสี่ห้าคนเอาเหตุผลสิทําไมนี่เหยียบคนแล้วนะไม่ใช่ไปเหยียบมดยุงยังอะไรที่ไหนนะคนนะฮะนะ ดูดูแค่เจตนาหรือไม่เจตนาอย่างเดียวเหรอใครจำได้บ้างผู้ เ, เจ้าเนี่ยท่านจะถือว่าผิดศีลหรือว่าไม่ผิดศีลเนี่ยนะบาปหรือว่าไม่บาปเนี่ยท่านมีอยู่3、4มสข้ออนนมาจะไม่ได้ว่า3ข้อหรือสข้อองค์อ่ะองค์ของการที่จะที่จะถือว่าผิดหรือว่าไม่ผิดเนี่ยหนึ่งก็คือใครจำได้บ้าง หนึ่งอ่าหนึ่งรู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เข้าใจไหมอันเนี้ยเรารู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นะสองก็คือ <c oughs> สองก็คือเหยียบที่ไหนเล่าสองก็คือว่าเห็นอยู่นะ <c oughs> คือตอนแรกรู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะแมแล้ไปเหยียบก็เสร็จเท่านั้นเองอ็จะอยู่ท นะสองก็คือว่าเห็นเห็นอยู่ว่าเอา้านี่เป็นสิ่งมีชีวิตนั้นเข้าใจไหมเห็นอยู่อ่ะอ่านี่สก็คืออ่าสามก็คือว่าทําให้เขาเจตนาพูดง่ายอันเนี้ยเจตนาทําให้เขาเนี้ยถึงแก่ความตายไปนะคิดว่าเนี้ยอาจจะคงแค่สามมึนถ้าเราจำไม่ผิดนะนะสข้อนี้ หรือหรือจะสี่ก็หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่เท่าที่จำได้เนี่ยจะมีประมาณนี้อยู่นี่แหละถ้าครบองค์อย่างนี้แล้วถึงจะถือว่ า, าผิดศีล น, นะถึงจะถือว่าเป็นบาปเป็นกรรม <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่การิยามของเราด้วยว่าเราเข้าใจคำ ว, ว่าบาปนี้ยังไงใช่มั้เพราะถ้าแต่ละค น, นกำหนดคำ ว, ว่าบาปไม่เหมือนกันเลยพอถามไปว่าบาปไหมนี่ บางคนก็บอกว่าบาปบางคนก็บอกว่าไม่บาปเพราะนิยามของคําว่าบาปนี่เรานิยามไม่ตรงกันอย่างอาตมาอาตมาก็รู้สึกว่าบาปหรือว่าไม่บาปนี่นะอาตมาก็บาปหรือไม่บาปอย่างอย่างอย่างความคิดของอาตมาเข้าใจไหมอย่างอาตมาเนี่ยอาตมารู้สึกว่าไอบา้บาปบาปนี่ก็คือว่าทําเลวทําไม่ดีใช่ไหม <Okey> โดยเจตนาด้วยแล้วก็จะมี ผลของความเดือดร้อนเนี่ยตามมาถึงบุคคล น, นั้นในภายหลังด้วยเข้าใจไหมผลของความเดือดรอ้อนจะต้องตามคนนั้นในภายหลังด้วยชดใช้สิ่งที่คนนั้นเนี่ยกระทําไปตามที่มีจิตเจตนานั้นด้วยนะแต่ตอนนี้คําว่าวิบากรรมแหละคำว่าวิบากรรมเนี่ยมันก็เป็นผลของการกระทําวิบากนี่แปลว่าผลนะกรรมก็คือการกระทํา วันิบากรรมก็คือผลของการกระทำใช่ไหมวันผลของการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าอะไรอะ่ะมันก็จะมาคืนสนองเหมือนกันมันก็จะมาตามเอาเรื่องเอาราวเราเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราทําไม่ดีดูนะอาตมาคิดว่าอาตมาจะตัดรอบตรงเนี้ไม่รู้นะจะพยายามอธิบายไม่รู้ว่าพวกเราจะเข้าใจแค่ไหนแต่ในในความรู้สึกของอาตมาเนี่ยสมมุติเราเกิดไปเหยียบคนนั้นตายไปเนี่ย ผลของกรรมที่มันจะตามมานะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอะไรคนอื่นเขาก็มีที่จะเอาเรื่องเราหรือว่ามาด่าเรานะสับเเผาหรือว่าอะไรต่ออะไรถ้าเราไปเหยียบคนตายจริงๆนะก็คงจะมีนะับิบากกรรมพวกนี้ตามมานะหรือเราเองเราก็อาจจะด่าตัวเองอยู่นะเออเราไม่น่าประมาทหรือว่าอะไรต่ออะไรแต่คนนี้จะไม่ได้ทุกข์ใจหรือว่า จะไม่เสียใจในเรื่องที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยไปเจตนาทำเขาตายหรือเปล่าเข้าใจไหมคือคนนี้จะจะไม่สงสัยอันนี้เลยแล้วก็จะไม่เดือดร้อนใจไอ้อันตรงที่เรียกว่าไม่ได้มีเจตนาจริงๆคือจะไม่เศร้าใจในประเด็นนี้เลยในในจุดนี้ในเรื่องนี้เลยคือเรื่องนีด้ดึงออกไปได้เลยในจิตของคนนี้แต่บิบากกรรมที่จะเป็นกายกรรมมา หรือเป็นประจีกรรมมาจากที่ของคนอื่นๆหรือว่าถ้าเป็นมโนกรรมของใจคนอื่นเขาเนี่ยมีผลตามมาแน่ที่จะมามีผลให้กับคนนั้นทำให้คนนั้นเดือดร้อนเดือดร้อนหรือว่าลาบากเนี่ยได้แต่ไม่สามารถทาให้คนนั้นเนี่ยทุกใจเพราะเรื่องนั้นได้เพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาจริงๆในจิตเขาเนี่ยมันไม่มีไอ้เรื่องนั้นอยู่ไม่มีความประสงร้ายอยู่มันไม่มี จิตอกุศลอยูอ่ไม่มีตัวปทุสร้ายอยู่ว่าไอ้ตัวเนี้ยในจิตเขาจะไม่มีความบิบา้กรรมเนี่ยมันจะเป็นผลที่จะมาเนี่ยมาในลักษณะนี้แหละในลักษณะที่จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นเรื่องภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภายนอกเนี่ยมากกว่าหรือว่าเป็นเหตุอื่นเนี่ยมากกว่าแต่ไม่ใช่เหตุนี้ที่จะมาทําให้ใจเขาเนี่ยมาเสียใจเพราะว่าเขาเจตนาฆ่าแต่อันนี้จะไม่มีในใจเลย ซึ่งมันต่างจากบาปที่ถ้าเราเองเรารู้กับใจว่าจริงๆอะ่ะเราเจตนาจะเหยียบเขาให้ตายจริงๆอะ่ะแต่เราเราเวลาคนอื่นมาาเงี้ยเราแกล้งบอกว่าโอยฉันไม่เจตนาฉันมองไม่เห็นแต่จริงๆใจคนนี้รู้อยู่เห็นอยู่เจตนาจะเหยียบเขาให้ตายแต่โกหกคนอื่นว่าไม่ได้เจตนาใช่ไหมอ่าตอนนี้บาปอันนี้เนี่ยที่มันจะตามมาเล่นงานคนนี้ นะเป็นทั้งบาปกรรมเป็นทั้งผลวิบากรรมก็ตามแต่ก็คือว่าเขารู้อยู่กับใจเขาว่าเขาเนี่ยเจตนาเหยียบคนนี้ให้ตายเพราะฉะนั้นไออันนี้แหละมันมันรู้อยู่ในจิตเขาใช่ไหมเพราไอไ อ, ไอความชั่วความเลวเ น, นี่ยมันจะฝังอยู่ในใจเขาแล้วมันจะกินใจเขามันจะคอยเตือนใจเขามันจะคอยแบบว่าสกิบหัวใจเขาอยู่ตลอดเวลาว่า แกน่ะฆ่าเขาแกเจตนาฆ่าเขานี่แหละที่มันเป็นบาปที่มันมันตามมาคอยเกาะกินแล้วก็รังควานจิตวิญญาณคนนั้นอยู่เสมอแล้วก็ตลอดเวลาด้วยแม้คนอื่นไม่รู้ก็ตามแต่คนนี้จะมีอันเนี้ยฝังอยู่ตลอดเวลามันต่างจากที่อาตมาบอกว่าที่บอกว่าไม่บาปถ้าคนนั้นเขาไม่มีจิตเจตนาจริงๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่มีจิตเจตนาจริงไอ้จุดนี้ในหัวใจเขาไม่มีเพราะเขาไม่ได้เจตนาจริงๆ ว่าไอตัวทุกร้อนใจเพราะเพราะไอความประสงค์รายอันนี้เขาไม่มีในจิตเขาเลยเนี่ยมันมันต่างกันก็ใช่นะ <c oughs> ใช่เหมือนกับคนที่เขาทําอย่างนั้นนะ่ยถ้าคนนั้นเนี่ย <c oughs> เขาทําโดยที่เขามีความรู้ด้วยนะรู้ว่าไม่ดีใช่ไหมรู้ว่าบาปพอเขาทาแทงไปแล้วเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตเขาตอลอดเวลาเลย ไอ้อย่างนี้แหะบาปเนี่ยมันคอยเกาะกินใจเขาไปตลอดจะอีกกี่ปีปกี่เดือนกี่อะไรก็แล้วแต่ก็ฝังอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ตามไปพิบากกรรมไปเรื่อยไปเรื่อยเลยแต่มันต่างจากว่าจริงบางคนเนี่ยแทงลูกไปแต่เขาไม่ได้เจตนาเงี้ยใช่ไหมเขาก็เศร้าโศกเหมือนกันเขาก็เสียใจเหมือนกันที่ลูกเขาต้องแท้งไปแต่จิตเจตนาเขาไม่มีเงี้ยเขาก็ไม่มาทุกข์ไม่มาห่วงไม่มามาเสียใจ ไอ้ตรงเรื่องที่เรียกว่าเขาฆ่าลูกเขาฆ่าลูกเนี่ยใช่ไหมไอ้ปรเด็นนี้มันก็ไม่มีใน ใ, นใจเขาเออมันก็เป็นเพียงแค่แบบอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ลูกเขาต้องตายไปนะมันก็เป็นผลของมิบากกรรมที่จะตามมาก็มีอาจจะโดนคนโน้นดา่าคนนี้ดา่าใช่ไหมมันจะมีผลพวกนั้นอยู่ <c oughs> แต่ว่าใจเขาเองเนี่ย ใ, ใ, ใ, ในในในเรื่องที่ว่าไปเจตนา ทำร้ายเนี่ยมันไม่มีใจเขาเขาก็จะไม่มีบาปในในจุดนี้ในประเด็นนี้นกเขาก็คิดใช่ไหมว่าเออแล้วใครเนี่ยจะมาช่วยคลายใจเรื่องนี้ให้กับเขาได้ใช่ไหมจึงใคร่ควรคิดถึงบัณฑิตที่จะช่วยคลายใจได้อนนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งพรานนกได้เอานกกระทาเออได้จับนกกระทามาเป็นจํานวนมากบรรจุไว้เต็มกระเช้า คือพูดง่ายๆว่าเอานกต่อไปล่อเสร็จใช่ไหมแล้วก็ได้นกมาเยอะเลยก็จับใส่กระเช้าอัตมาก็ไม่รู้กระเช้าในพานจะเป็นไงไม่รู้นั่นะก็คงจะเป็นโกงใหญ่ๆมั่งนะแล้วก็จับได้ก็จับยัดใส่นะแล้วก็แบกกลับมาแล้วก็มีมีนกต่อด้วยอีกลังลังนกต่อด้วยอีกหนึ่งตัวมาด้วย <c oughs> ขณะเดินทางกลับก็คิดก็รู้สึกกระหายน้ําใช่ไหม จึงแวะไปยังอาสมของพระฤาษีเอาละนะอแล้วนะนี่ฤาษีโผล่มาแล้วนะตั้งแต่ต้นเรื่องนะ <c oughs> ก็นี่เขาเขาดึงมาให้มันมามาอะไรอะ่ะมาบรรจบกันแล้วอ่าตอนนี้ก็เลยแวะผ่านบนารรณศาลาของฤาษีนั่นเองนะก็เลยแวะไปขอน้ํากินแล้วก็วางกรงนกต่อ น, นั้นไว้ใกล้ๆสํานักของพระฤาษี พอดื่มน้ำเสร็จใช่ไหมก็นั่งพักที่พื้นทรายกระทั่งเผลอหลับไป